นาปติวันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอวบัิคือ 1,145 1. พิภิกษุณีมีภรษาครบสิบสองแล้วและสงสมมุติแล้วจึงบวชให้กุลธิดา 2. ภิกษุณีวิกลจริต 3. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่5จบ